สวัสดีค่ะท่านฟังคะเรามาพบกันวันนี้รายการสัสนีสนทนาที่สถานีวิทยุครอบครัวข่าวนะคะเรค่ะเป็นวันสุดท้ายของปี2552พอดีตรงกับวันพฤหั ส, ส บ, บดีที่31ธันวาคมพุทธศักราช 2,552 นะคะในวันพฤหั ส, ส บ, บดีจะเป็นวันที่ท่านฟังได้พบกับพระมาร์คชาคาวโร ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์คึกฤทโสธิพโลนะคะจากวัณนาบาพงลำลูกกาคลองสิษย์ก่อนที่จะเข้ารายการดิฉันได้กราบเรียนถามท่านว่าในวันนี้ท่านได้เตรียมเรื่องอะไรมาท่านก็บอกว่าได้เตรียมประชดจะนำมาอ่านให้ท่านผู้ฟังได้ฟังพร้อมๆไปกับให้ท่านเนี่ยได้ปฏิบัติธรรมไปด้วยกันเลย ไม่ต้องไปที่วัดไหนนะคะเตรียมตัวให้พร้อมเดี๋ยวฟังพระสูตรแล้วก็ปฏิบัติธรรมไปพร้อมๆกันกับพระมากชาเขาวโรในรายการแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงตอนนั้นเนี่ยนะคะดิฉันเองอา่านหนังสือพิมพ์ดูโทรทัศน์ถ้าเป็นบทความในหนังสือพิมพ์เนี่ยจะเห็นชัดเจนมากว่าทุกคนก็ล้วนแล้วแต่อยู่ในยุคในสมัยก็คือว่าจะต้องพูดถึงปีเก่าที่กาลังจะผ่านพ้นไปและปีใหม่ที่กาลังจะ ผ่านเข้ามาเสียเป็นส่วนใหญ่นะคะบางท่านก็บอกว่าเป็นโอกาสที่จะทบทวนถึงสิ่งที่เราได้ทําในแต่ละปีแต่ละปีที่ผ่านมาว่าเราทําอะไรให้กับตัวเราเองบ้างทําไปแล้วมันเกิดผลอย่างไรบ้างบางท่านเนี่ยก็บอกว่าได้พบว่าไปวุ่นวายอยู่กับ สิ่งที่มันไกลตัวคือหมายถึงว่าไม่ใช่ครอบครัวของตัวเองนะคะไปสารวจนอยู่กับเรื่องอื่นนอกตัวแล้วก็ได้พบว่าผิดหวังผิดหวังกับคนรอบข้าง ไ, ได้พบว่าโลกเนี่ยมันไม่ได้มีแค่สีขาวหรือสีดำแต่มันมีเทาเทาด้วยและตรงเทาๆเนี่ยท่านก็บอกบอกว่ากว่าจะพบมันใช้เวลานา น, านก็ตั้งใจที่จะ ประสบการณ์เนี่ยมาสะท้อนบอกกับคนอื่นว่าคนที่จะจัดลำดับของการให้ความสําคัญให้ดีซึ่งเมื่ออ่านโดยสรุปแล้วบทความนี้เดียฉันเข้าใจว่าท่านกําลังจะบอกว่าจะหันมาให้ความสําคัญกับคนรอบข้างใกล้ตัวเช่นคนในครอบครัวให้มากขึ้นจะได้มีความสุขในยามที่เห็นท่านเหล่านั้นซึ่งเรามีโอกาสได้ดูแลมากขึ้นเนี่ยมีความสุขเพิ่มขึ้นด้วย เท่ากับว่าเป็นลักษณะของการที่คาดหวังความสุขซึ่งเกิดจากการให้ซึ่งเรียกก็ว่าเป็นความสุขที่ดีนะคะในรายการของเราเป็นรายการที่มุ่งเน้นจะให้ท่านฟังได้มีโอกาสเข้าถึงธรรมะของพระพุทธองค์ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ในโลกปัจจุบันนี้จะได้ทำให้เรามีความตระหนักนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าประจักษ์แก่ใจว่าธรรมะของพระพุทธองค์ที่ตราสเาไว้เองว่า ไม่จํากัดการเวลาใดก็ใช้ได้เป็นอากาลิโกแล้วก็ยังเป็นประโยชน์กับคนทุกๆคนที่ได้พบได้เห็นได้ทําความเข้าใจแล้วก็เอาไปประพฤติปฏิบัตินะคะดังนั้นเนี่ยในรายการของเราไม่ว่าจะเป็นปีใหม่หรือปีเก่าค่ะในแต่ละวันก็จะนําเอาพุทธว จ, จนะธรรมวินัยจากพุทธโอษณะออกมาอธิบายขยายความ ให้ท่านได้มีโอกาสได้เข้าถึงคําของพระพุทธเจ้าซึ่งเราถือว่าเป็นปาฏิหาริย์กันทุน่นทั่วทุกคนที่ฟังรายการนะคะสําหรับในวันนี้เดี๋ยวจะพาท่านผู้ฟังไปพบกับพระมาร์คชาคาวโรในเวลาอีกไม่ช้านี้แล้วเตรียมตัวกันให้ดีนะคะมาฟังถามจากพระสูตรด้วยกันคะ่ะถามโลกตอบถามค่ะท่านฟังคะ่ะ และในลำดับต่อจากนี้ไปเช่นเคยเหมือนกับทุกวันพฤหัสบดีและข้็วันศุกร์นะคะจะได้พบกับพระมาร์กชาคาวโรวัดนาปาพง์ลำลูกาคลองสิทค่ะน้มัศการคะท่านค ะ, ะเจริญพรวันนี้พบกับท่านผู้ฟังเปนวันส่งท้ายปีเก่า <c oughs> ไม่ทราบว่าท่านเลือกประสูตยใดมาฝากคะวันนี้เอ่อเลือกมาหลายประสูนยเลยก็ให้สอดคลองกับวันที่เป็นวันสิ้นปีที่เอ่อคนส่วนใหญ่ก็จะ เนื้ทบทวนถึงสิ่งที่ตนเองได้ทํามาในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาค่ะก็ เ, เลยเลือกพระสูตรที่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้ตรัสสอนให้เราได้ทบทวนถึงสิ่งที่เราเรียกว่าชีวิตของตัวเราเองเนี่ยว่าเป็นอย่างไรบ้างค่ะวันนี้ก็จะพิเศษก็คือว่าจะอ่าน <c oughs> ให้ฟังอย่างเดียวเลยโดยไม่อธิบายอะไรค่ะแล้วก็สำหรับผู้ที่ เอ่ออาจจะนั่งอยู่ที่บ้านอาจจะฟังด้วยการหลับตานั่งสมาธิรู้อยู่กับลมหายใจไปพร้อมๆกันเพื่อเราจะได้ใช้เวลาช่วงสิบห้าทีเนี่ยค่อยๆคลคยโรนทบทวนถึงสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนมาสองพันห้าร้อยกว่าปีค่ะขในมลท่านเลยค่ะ <c oughs> เออถ้าพร้อมแล้วใครพร้อมแล้วก็ค่อยๆอะไรก็แล้วก็ฟังไปพร้อมกันไลยก็ได้ พวกมีพระพักรเจ้าได้ตรัสกับเพิกษุขทั้งหลายว่าเิกศุขทั้งหลายสัตว์ที่มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตันหาเป็นเครื่องผูกย่อมแล่นไปอยู่ท่องเที่ยวไปอยู่ในสังสารวัตนี้บางคราวแล่นไปจากโลกนี้สู่โลกอื่นบางคราวแล่นจากโลกอื่น สู่โลกนี้เปรียบเหมือนท่อนไม้อันบุกขนสัตว์ขึ้นไปสู่อากาศบางคราวตกเอาโคนลงบางคราวตกเอาตอนกลางลงบางคราวตกเอาปลายลงข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าพิกศึกทั้งหลายข้อนั้นเพราะความที่เขาเป็นผู้ไม่เห็น ซึ่งอริยสัจทั้งสอริยสัจสอย่างไรเล่าสอย่างคืออริยสัจคือทุก์อริยสัจคือเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกอริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกอริยสัจคือทางดาเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกดังนี้ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในกรณีนี้ตนเองมีความเกิดเป็นธรรมดาอยู่แล้วก็ยังมัวหลงแสวงหาสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาอยู่นั่นเองตนเองมีความแก่เป็นธรรมดาอยู่แล้วก็ยังมัวหลงแสวงหาสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาอยู่นั่นเองตนเอง มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาอยู่แล้วก็ยังมัวหลงแสวงหาสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาอยู่นั่นเองตนเองมีความตายเป็นธรรมดาอยู่แล้วก็ยังมัวหลงแสวงหาสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาอยู่นั่นเองตนเองมีความโศกเป็นธรรมดาอยู่แล้ว ก็ยังมัวหลงแสวงหาสิ่งที่มีความโศกเป็นธรรมดาอยู่นั่นเองตนเองมีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาอยู่แล้วก็ยังมัวหลงแสวงหาสิ่งที่มีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาอยู่นั่นเองภพสุขทั้งหลายอะไรเล่าคือสิ่งที่มีความเกิดความแก่ ความเจ็บไข้ความตายความโศกความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาเป็กสุกทั้งหลายบุตรภรรยาท่าหญิงท่าชายแพะแกะไก่สุกรช้างโคมา้าลาทองและเงินมีความเกิดความแก่ ความเจ็บไข้ความตายความโศกความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาสิ่งเหล่านี้เป็นของหนักซึ่งบุคคลในโลกนี้พากันจมติดอยู่พากันมัวเมาอยู่พากันสยบอยู่ในของหนักเหล่านั้นจึงทําให้ตนทั้งที่มีความเกิด ความแก่ความเจ็บไข้ความตายความโศกความเ่อหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาอยู่เองแล้วก็ยังมัวหลงแสวงหาสิ่งที่มีความเกิดความแก่ความเจ็บไข้ความตายความโศกความเ่อหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาอยู่นั่นเองอีก ทั้งหลายทำไมหนอเราซึ่งมีความเกิดความแก่ความเจ็บไข้ความตายความโศกความเ่อหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาอยู่เองแล้วจะต้องมัวแสวงหาสิ่งที่มีความเกิดความเ่อหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาอยู่อีกครั้นได้รู้สึก ถึงโทษอันต่ำแซมของการมีความเกิดความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดานี้แล้วเราเพึงสแสวงหาพระนิพพานอันไม่มีความเกิดอันเป็นธรรมที่เกษมจากเครื่องร้อยรัดไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเธอเพิกศุขทั้งหลายความชรามีซ่อนอยู่ในความนุม ความเจ็บไข้มีซ่อนอยู่ในความไม่มีโรคความตายมีซ่อนอยู่ในชีวิตโทเอย๋ยความแก่อันชั่วช้าเอย๋ยความแก่อันทำความน่าเกลียดเอย๋ยกายที่น่าพอใจบัดนี้ก็ถูกความแก่ย่ำมีหมดแล้วแม้ใคร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 จากของรักของชอบใจทั้งสิ้นสัตว์จะได้ตามปรารถนาในสังขารนี้มีที่ไหนเล่าข้อที่สัตว์จะหวังเอาสิ่งที่เกิดแล้วเป็นแล้วมีปัจจัยปรุงแต่งแล้วมีการแตกดับเป็นธรรมดาว่าสิ่งนี้อย่าพินาศเลยดังนี้ ย่อมเป็นฐานะที่มีไม่ได้เป็นไม่ได้เพศสุขทั้งหลายสัตว์ทั้งปวงทั้งที่เป็นคนหนุ่มคนแก่ทั้งที่เป็นคนพานและบัณฑิตทั้งที่มากมีและยากจนล้วนแต่มีความตายเป็นที่ไปถึงในเบื้องหน้า เปบเหมือนภาชนะดินที่ช่างหมอปั้นแล้วทั้งเล็กและใหญ่ทั้งที่สุกแล้วและยังดิบอยู่ล้วนแต่มีการแตกทำลายเป็นที่สุดฉันใดชีวิตแห่งสัตว์ทั้งหลายก็มีความตายเป็นเบื้องหน้าฉันนั้น วัยของเราแก่งอมแล้วชีวิตของเราริบรีแล้วเราจักละพวกเธอไปสารณะของตัวเองเราได้ทำไว้แล้วภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงเป็นผู้ไม่ประมาทมีสติมีศีลเป็นอย่างดีมีความดำริ อันตั้งไว้แล้วด้วยดีตามรักษาจิตของตนเองเธอในธรรมวินัยนี้เพิกสุดใดเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วจักละชาติสังสาระและทำที่สุดแห่งทุกได้เพิกสุดทั้งหลายสิ่งใดไม่ใช่ของเธอสิ่งนั้นเธอจงละมันเสีย สิ่งนั้นอันเธอละเสียแล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่เธอตลอดกาลนานพิกสุขทั้งหลายอะไรเล่าที่ไม่ใช่ของเธอพิกสุขทั้งหลายตาหูจมูกลิ้นกายและใจ ไม่ใช่ของเธอสิ่งเหล่านั้นอันเธอละเสียแล้วจกเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแกเธอตลอดกาลนานเป็นสุขทั้งหลายบัดนี้เราจะเตือนพวกเธอทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา พวกเธอทั้งหลายจงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทท่านฟังค่ะและทั้งหมดนั้นก็เป็นพระสูตรที่พระมาร์คชาคาวโรได้เลือกมาฝากให้กับท่านฟังเพื่อที่จะได้ฟังกันไปแล้วก็ปฏิบัติกันไปใกล้ค ร, รวญในธรรมที่อยู่ในพระสูตรกันไปนะคะ วันนี้ถือว่าเป็นวันพิเศษท่านม้าก็คงจะเห็นว่าเป็นการส่งท้ายปีเก่า <c oughs> ใช่ไหคะ <c oughs> แล้วก็ในวันต้อนรับปีใหม่นี่จะมีลักษณะเดียวกันไหมคะ <c oughs> ใช่คล้ายๆกันแต่ก็เป็นอีกพระสูตอีกชุดหนึ่งค่ะทั้งถ้าพูดแบบคนธรรมดาทั่วๆไปก็บอกแม้ทั้งไยเราะด้วย <c oughs> แล้วก็อัจทำทั้งหลาย <c oughs> ที่อยู่ในนั้นนี่ครบถ้วนบริบูรณ์ให้เราได้ใครครวญทบทวนถึง ชีวิตของเราค่ะระเผอบางท่านอาจจะนึกในใจว่าแมมคุณสัสนีิบลังก็เอาพระสูตรล้วนๆอะไรก็แล้วกัน <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะคะยังมีให้ฟังกันอีกวันนี้การน้อมมองดูชีวิตของตอนเองด้วยพุทธวจนะของพระพุทธองค์คงจะเป็นประโยชน์ในการที่ท่านจะนำเอาไปปฏิบัติแล้วก็ดำเนินชีวิตกันนะคะใน ปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงค่ะวันนี้ก็นมัส ก, การขอบพระคุณท่านมากในโอากาสนี้นะคะเจริญพรถามโลกตอบถามท่านฟังคะ่ะท่านอยู่ในช่วงเวลาของรายการสันสนีสนทนานะคะที่ผ่านมาถ้าถึงวันพฤหัสบดีกับวันศุกร์เนี่ย ก็จะมีพระมาร์กชาคาวโรพเพียงรูปเดียวที่มาอธิบายประสูตรขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราเรียกว่าพุทธวจนะธรรมวินัยจากพุทธโอษฐ์แต่เนื่องจากว่าช่วงนี้เราได้อ่านพุทธประวัติจากพระโอษฐ์ให้ท่านฟังได้ฟังกันจนครบทุ่นกระบวนความแล้วจึงมีเวลาพอที่จะพูดถึงในสิ่งที่เป็นประโยชน์ แล้วก็ยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับพุทธวจนะเช่นเดียวกันโดยพระอาจารย์ภัยบูลอภิปุล โ, โนค่ะขณะนี้ท่านก็พร้อมแล้วนะคะทราบว่าท่านเตรียมเรื่องที่หลายคนคิดอยู่ในช่วงปีใหม่เอามาฝากด้วยนมัส ก, การกันทั้งคะ่ะอาจารย์พรเรื่องอะไรคะท่านคะมีหลายท่านมีลูกศิษย์หลายคนแล้วก็ญาติยโยม ต, ต่างๆนี่มาถามามาดมะมาาเอ๊ะปีใหม่เนี่ยจะทํายังไงโดยพรให้หน่อยว่าให้ประชีวิตมีความสุขประสบความสําเร็จเต็มไปด้วยความโชคดีค่ะ เอาไปเลยนะพระเจ้าบอกว่าถ้าจะการที่คนเราจะโชคดีเนี่ยจะประสบความสําเร็จจะบ้างมีสีสุขมีความสุขเนี่ยมันต้องทําเหตุสร้างเหตุของการโชคดีการประสบความสําเร็จการมีความสุขอะไรเป็นเหตุของความโชคดีก็ต้องคิดดีทดําดีพูดดีคิดดีทดําดีพูดดีก็ต้องมีเหตุไม่ใช่ว่ามันอยู่ๆมันจะเกิดได้เพราะนันเราต้องสร้างเหตุของการคิดดีพูดดีทําดี การที่สะคิดดีผู้ดีทําดีได้เนี่ยควรจะต้องปิดกั้นความชั่วไม่ให้เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจคือการสํารวมอินทรีย์นั่นเองค่ะพอเราสํารวมอินทรีย์แล้วเนี่ยมันก็มีเหตุแห่งการสํารวมอินทรีย์นะไม่ใช่อยู่มันจะเกิดขึ้นมาได้การที่เราจะไม่ให้ความชั่วเข้ามาตาหูจมูกลิ้นกายใจได้เนี่ยเราก็จะสร้างสร้างเหตุของมันเหตุ ข, ของมันก็คือเฮริโอตาปะความละอายต่อบาปความกลัวต่อบาป ทนี้คนจะมาละอายก่อบาปกลัวต่อบาปได้เนี่ยก็จะต้องมีเหตุของมันเหตุของการละอายต่อบาปและการกลัวต่อบาปก็คือการมีสติคนอยู่จะมามีสติได้มันมีไม่ได้หรอกมันต้องมีเหตุของการมีสติพระเจ้าก็เลยให้ใช้อานาปานสติเนี่ยนะฟังรายการอยู่เนี่ยมีสติในลมหายใจเข้ามีสติในลมหายใจออกเป็นเหตุให้เราเป็นผู้มีสติเนี่ยพอมีสติแล้วเนี่ยก็จะเป็นเหตุทําให้เป็นผู้ที่ละอายต่อบาปกลัวต่อบาป พอละอายต่อบาปกลัวต่อบาปแล้วเนี่ยก็จะเป็นเหตุทําให้ความชั่วเนี่ยไม่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจคือเป็นผู้สํารมอินทรีย์พอเป็นผู้สํารมอินทรีย์แล้วเนี่ยก็จะเป็นเหตุที่ทําให้เราพูดดีคิดดีทําดีพอเป็นเหตุให้พูดดีคิดดีทําดีเป็นเหตุแล้วเนี่ยก็จะทำให้เราเป็นผู้ที่มีแต่ความโชคดีมีความสุขอาการอย่างเนี้ยความเป็นเหตุเป็นผลอย่างเนี้ยคือปาฏิหารเป็นอันน่าอัศจรรย์เพรันปีใหม่นี้นะผู้ที่ฟังรายการอยู่ ขอให้มีความโชคดีมีความสุขประสบความสําเร็จอันเป็นอัศจรรย์อย่างปาฏิหาริย์อย่างที่พระราชาพูดอย่างนี้แหละให้สร้างเหตุอย่างนี้นี่เตรียมยกมือสาธุเลค่ะตามสารเปคนไทยคือคิดว่าสาธุแล้วได้เลยสาธุแล้วก็ยังต้องไปสร้างอยู่ใช่ไหมคะก็ได้เลยไงเพราะเรามีลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่แล้วได้เลยนะคะเพราะนั้นวันนี้เป็นยาขนานเอกในโลกใบนี้ที่พระพุทธองค์ได้มอบให้กับทุกคนเป็นกินล้โชคดี คืออาณาปานสติเป็นยาชื่ออาณาปานสตินะคะคือการที่เรามีสติอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกเมื่อเรามีสติแล้วจะทําให้เราไม่หลุดไปทําบาปเพราะมันเกิดความละอายต่อบาปนะคะมีฮิริโอตปะเมื่อมีฮิริโอตปะแล้วเราก็จะ ปิดกั้นความชั่วร้ายปิดกั้นความชั่วร้ายต่างๆไม่ให้เข้ามาถึงตัวซึ่งนําไปสู่การเป็นการสร้างเหตุของการพูดดีคิดดีทําดีใช่นะครับและเมื่อเราพูดก็ดีคิดก็ดีทําก็ดีมันไม่มีอะไรเหลือให้เป็นเรื่องไม่ดีเลยเราก็จึงจะเป็นผู้ที่มีแต่โชคดีแน่นอนปาฏิหาริย์น่าอัศจรรย์เป็นปาฏิหาริย์อัน่าอัศจรรย์เพียงแต่ว่าเป็นปาฏิหาริย์ที่ต้องขยันหมั่นเพียรนะครับเพราะว่าการอยู่กับลมหายใจตลอดเวลานั้น มันเป็นเรื่องที่ไม่ยากแต่ก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายขอให้ทำกันเป็นนิสัยนะคะประพฤติกันอยู่เป็นประจำแล้วท่านจะเป็นผู้ที่โชคดีอันนี้ก็เป็นคาถาจากพระอาจารย์ไพบูลอ่ะพี่ปุณโนเลยนะคะมอบให้เป็นของขวัญปีใหม่ จากรายการสันสนิสนทนาที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้วันสิ้นปีพอดีเลยนะคะขอให้น้อมนำเอาไปใช้แล้วกันแล้วดิฉันจะไม่อิจฉาท่านเลยนะคะพรอยินดีด้วยตัวเองก็จะต้องไปรีบตั้งหน้าทำเหมือนกันนะคะ mm hmm. เพื่อที่อยากจะเป็นคนโชคดีแต่อย่างเดียวค่ะวันนี้ นวัต ก, การขอบพระคุณท่าอาจารย์ไพบูลนะคะอาจารย์นฟนแล้วก็คงจะต้องขออนุญาตที่กล่าวคำ ส, สวัสดีปีเก่าแล้วก็สวัสดีปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนะคะขอให้เราสวัสดีกันด้วยการ น, นามนธรรมะของพระพุทธเจ้าไปนําทางค่ะ